ตอนที่99เตรียมพร้อมอยู่เสมอลีชิงพิงไม่มีกะจิกกระจายจะนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องอื่นสิ่งที่นางกังวลที่สุดในตอนนี้คือเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเจิ้งอวินชงหรือไม่ลีเย่อจูพูดจาเหลวไหลยอยู่ดีไม่ว่าดีกับลากเจิ้งอวินชงเข้ามาเกี่ยวพันด้วยไม่ได้ฉันต้องไปดูหน่อยลีชิงพิงนั่งไม่ติดบ้านนางขมวดคิ้วพรางเอ่อด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเสี่ยหวันเจ้ากับคุณย่าไม่ต้องไปหลอกนี่ไม่ใช่เรื่องดีอะไรไปแล้วก็มีแต่จะเสียสุขภาพจิต ไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็ให้พวกเราตามไปด้วยหรือไม่เจ้าก็ไม่ต้องไปเจ้าชุนฮาวาเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งครึมเจ้าไปคนเดียวข้าไม่วางใจอืมก็ได้ไปกันเถอะลีชิงผิงรีบเอ่ยทั้งสาคนเดินตามหลังเจิ้งอวินชงไปติดตดพอเข้าสู่เขตห้องสอบสวนก็ได้ยินเสียงหลี่เย่อจูแ่แผลตกระลั่นห้องพวกแกนี่มันกินดีมีหัวใจเสือมาหรือไงรู้ไหมว่าน้องเคยข้าเป็นใครฮะน้องเคยข้าก็คือผู้การเจิ้งแห่งเขตทหารของพวกแกยังไงแล้วรีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ น้องเคยท่านมาได้จังหวะพอดีรีบสั่งให้พวกสุนัขรับใช้พวกนี้ปล่อยข่าเร็วเข้าพวกมันใส่ร้ายข้าพูดจะเหลวไหลทั้งนั้นข้าไปทำเรื่องลวนลามสหายหญิงตอนไหนการเจ้งางวิ่งฉงยืนล้วงกระเป๋าอยู่กับที่มองหลี่เย่าจู่ด้วยสายตาเรียบเฉยในขณะที่อีกฝ่ายกำลังโต้เถียงจนหน้าดำหน้าแดงน้ำลายกระเด็นสาดกระจายผู้การเจ้างในที่สุดท่านก็มาเสียทีท่านดูนีส่สิผู้พันเชียนซึ่งรับผิดชอบการสอบสวนเ อ, อ่ยด้วยสีหน้าลำบากใจเรื่องนี้จัดการยากจริงๆข้าพอจะทราบสถานการณ์คร่าวๆแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เจิ้งวิ่งชงถามด้วยน้ำเสียงทุ่มตำเป็นเรื่องจริงครับดีนีนเมื่อเป็นเรื่องจริงก็ว่าไปตามระเบียบไม่ต้องแจ้งค่าอีหาผู้พันเฉียนแปลกใจที่เจิ้งอวิ๋นชอมตัดญาติขาดมิตรเช่นนี้นี่มันที่เมียของเขาเลยนะหากจัด ก, การตามระเบียบจริงๆอย่างน้อยก็ต้องถูกขังคุกหลายเดือนแน่นอนหาอะไรเจิ้งอวิ๋นชงขมวดคิ้วเล็กน้อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผู้พันเฉียนสายหน้าเขาไม่กล้าถามอะไรมากได้แต่ทําตามคําสั่งเท่านั้น ไม่มีปัญหาก็ดีแล้วหลังจากเจิ้งอวิน๋นชงพูดจบหลี่เย่าจู ก, ก็ยืนอึ้องอยู่กับที่เขาไม่คาดคิดเลยว่าน้องเคยจะพูดเช่นนี้นี่หมายความว่าจะไม่แยแสเขาแล้วอย่างนั้นหรือแบบนี้จะไปยอมได้อย่างไรเจิ้งอวิ๋นชงแกไปตามน้องสาวฉันมาฉันมีเรื่องจะคุยกับน้องสาวฉันถ้าแกกล้าทิ้งฉันไว้แบบนี้ฉันจะให้น้องสาวอย่า ก, กับแกแล้วลูกในท้องเธอก็อย่าหวังว่าแกจะได้เป็นพ่อเลยหลี่เย่าจูด่าทอด้วยอารมณ์เกลียวกราดดวงตาเบิกโครงจ้องมองเจิ้งอวิ๋นชงอย่างกินเลือดกินเนื้อไอ คนคนนี้ช่างเลือดเย็นไร้น้ำใจสิ้นดีต่อให้ไม่เห็นแก่น้าน้องสาวก็ควรจะเห็นแก่หน้าเด็กในท้องน้องสาวบ้าไม่ใช่หรือหากเด็กเกิดมาแล้วมีลุงที่ต้องติดคุกอยู่ในห้องสอบสวนมันจะน่าเชิดหน้าชูตาตรงไหนลีเย่จูอาปากจะพูดอะไรต่อแต่ลีชิงพิงก็เอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ทำเรื่องงามหน้าขนาดนี้แล้วยังมีหน้ามาโวยวายอยู่อีกเราหรือหน้าของฉันถูกเจ้าทำขายหน้าจนหมดสิ้นแล้วลีชิงพิงแกบอกให้พวกมันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ เป็นไปไม่ได้ลี่ชิงพิงโกรธจนตัวสัน่นตอนนี้รู้จักกลัวแล้วหรือก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาอุสา์แนะนำงานให้ทำไมไม่ตั้งใจทำงานไปเสียทำไมต้องไปทำเรื่องไร้สาระพวกนั้นด้วยที่ฉันทำไปก็เพื่อใครละ่ะก็เพื่อให้ฉันหาเมียได้เร็วๆไงตอนนี้แกได้แต่งกับผู้ชายดีๆไปแล้วแต่พี่ชายแกยังโสดอยู่นะโว้ยหลี่เย่จู่แผลเสียงลัน่นได้ยินไหมอย่าให้ฉันต้องพูดซ้าเป็นรอบที่สองฉันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เจ้าจงอยู่ที่นี่เพื่อรับการดัดสันดานเสียเถอะจนถึงตอนนี้เจ้ายังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทําผิดหลี่ชิงพิงฉันว่าหนังแกคงจะเริ่มพันอีกแล้วสินีอยากให้ฉันสั่งสอนนักใช่ไหมหลี่เย่าจู่ขบกรามแน่นขมขู่หลี่ชิงพิงอย่างดูร้ายเขาพยายามจะยกมือตบโต๊ะอย่างแรงแต่ทว่ามือทั้งสองข้างถูกใส่กุญแจมือไว้จึงขยับไม่ได้เจ้งางวินชงขยับกายบังสายตาที่หลี่เย่าจู่จ้องมองหลี่ชิงพิงโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงพางเ อ, อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเจ้าก็ลองดูสิหลี่ชิงพิง ยมัวตลบอยู่ข้างหลังเจิ้งวินชงนออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้หลีเย่จู่ดิ้นรนจนโตเก้าอี้สันสะเทือนสหายทหารที่ได้ยินเสียงรีพุ่งเข้ามาในห้องแล้วกดไหลเขาไว้ห้ามขยับหลีเย่จู่ไม่เป็นไรเจิ้งหวินชงส่งสัญญาณทางสายตาว่าไม่ต้องทําเรื่องให้วุ่นวายพลางเ อ, อ่ยด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยโตเก้าอี้สาหรับสอบสวนผู้ต้องหาผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วต่อให้คนที่มีรูปร่างกำยำกว่าเจ้าก็ดิน้นไม่หลุดน้ประสาอะไรกับเจ้าข้าขอแนะนําให้เจ้าออมแรงไว้หน่อยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บ ที่เจ้งางวินฉงบอกว่าเจ็บตัวก็เพราะเวลาที่หลี่เย่าจู่ดิ้นรนอย่างแรงข้อมือของเขาจะถูกกุญแจมือเหล็กบาดจนบาดเจ็บยิ่งดิ้นแรงเท่าไหร่บาดแผลก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นหลี่เย่าจู่ทำเรื่องไร้ประโยชน์พวกนี้ไปก็ไม่มีความหมายหลีชิงผิงเงยหน้ามองแผ่นหลังอันสูงใหญ่ที่ปกป้องนางอยู่เบื้องหน้าในใจรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าขอเพียงมีเขาอยู่ข้างกายไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนางก็รู้สึกมั่นใจและมีที่พึ่งเสมอ หลี่หวันจ้องมองหลี่เย่จู่โตขนาดนี้แล้วยังเอาแต่พูดเรื่องหาเมียไม่หยุดดูท่าสมองของเขาคงจะมีปัญหาจริงๆท่านพอ่อท่านแม่ในเมื่อไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็กลับกันเธออยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หลี่หวันเดินเข้าไปดึงชายเสื้อของเจิ้งอวิ๋นชงหลี่เย่าจู่ไม่สํานึกในความผิดของตัวเองดีไม่ดีคงจะพูดจานเหลวหลายอย่างอื่นออกมาอีกไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกกับคนประเภทนี้พวกแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพวกแกยังไม่ได้สั่งให้พวกมันปล่อยฉันเลยใครก็ห้ามไปกลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้ เสียงของหลี่เย่อจู่เริ่มมาลงเรื่อยๆหลี่ชิงพิงเอ่อด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอวินชงฉันไม่ได้ห่วงเรื่องที่เขาถูกขังหรอกนะแต่ฉันกังวลว่าถ้าท่านพ่อท่านแม่รู้เรื่องเข้าพวกเขาคงไม่ยอมรามือจากพวกเราง่ายๆแน่ไม่รู้ว่าจะมาอลาวาดกันขนาดไหนหลี่ชิงพิงถอนหายใจนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากบอกพวกเขาเรื่องที่เราแต่งงานกันฉันทำให้พวกท่านต้องเดือดร้อนแล้วพูดอะไรอย่างนั้นพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันอีกอย่างข้ารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า เจิ้งวิ่งฉงกุมือหลีชิงพิงไว้แน่นพรางปอบโยนข้าบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเจ้ายังมีอะไรไม่สบายใจอีกทางด้านพ่อแม่ของเจ้าข้าจะจัดการเองข้ามีวิธีหลีชิงพิงเจิ้งอวินชิตวิธีรับมือกับหลีขุยและพวกไว้ตั้งนานแล้วเป็นไปตามคาดทุกอย่างเป็นไปตามที่เจิ้งอวินชฉงคาดการไว้ไม่มีใครในตระกูลหลีกล้ามาหาเรื่องถึงที่บ้านเขาจงใจบอกว่าปัญหาของหลีเย่าจู่นั้นร้ายแรงมากจนไม่มีใครกล้าเสนอหน้าออกมาเพราะกลัวว่าจะพล่อยติดร่างแหไปด้วย ลีชิงพิงในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ในที่สุดก็ได้พบกับความสงบเสียที่นางคำนวณเวลาดูแล้วรู้สึกว่าคงจะเป็นช่วงวันสองวันนี้แหละแต่เจ้าตัวเล็กในท้องกลับไม่มีวี่แววจะออกมาเลยนางรอจนเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจไม่ใช่แค่นางที่รีบร้อนเจิ้งอวินชงเองก็รีบร้อนไม่แพ้กันเขาแสดงอาการยิ่งกว่าลีชิงพิงเสียอีกตอนกลางคืนแค่ลีชิงพิงขยับตัวนิดหน่อยเจิ้งอวินชงก็ตื่นระหนกถามนางทันทีว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าถ้าหลีชิงพิงไม่ขยับตัวเองของนางก็รับไม่ไหว นางได้แต่ยิ้มขืนอย่างจนใจที่ทำแบบนี้ฉันคล้อยเครียดไปด้วยนะถ้าฉันรู้สึกไม่สบายตัวตรงไหนฉันบอกพี่แน่นอนไม่ต้องถามแล้วฉันนอนถ้าเดียวนานๆแล้วมันปวดเอวนะพี่กลัวว่าเจ้าจะทนเจ็บไว้คนเดียวเพราะเกรงใจนะท่านแม่บอกว่าท้องที่สองจะคลอดเร็บางทีพวกเราอาจจะไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ได้เอาเป็นว่าพี่ว่า พ, ว, าพวกเราไปนอนรอที่โรงพยาบาลเลยดีไหม